โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทัสสะนัโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสมมาสมุทัสสะนโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสมมาสมุทัสสะ กตตนันตัส like so ุขภาวะหังกิเตะอสังเกติเทสุขติตาติกรรขากิเตสังเกเทสุขติาิกัรขาธัมมัสสะอริยยะสสสาขายสมนเตสัจจะธโสมอี โอกาสนี้จะได้สแสดงธรรมเทศนาพลรนาจักรธรรมธรรสังและธรรมสวรรค์ของขพระผูม้มาาีพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องกระดับสติปัญญาศรัทธาความเชื่อความเดีนวสัยอย่างงดาธสำหรัทุกชนทั้นหลายและเป็นเครื่องประดับสติปัญญาการประดับ เครื่องแต่งกายประดับตกแต่ที่เป็นวัสดุสัมภาราประดับแล้วเราต้องเจ็บซุ่มจีเพาเป็นเครื่องประดับข้นอกไม่นานล้วก็จะต้ชงเอาไปทิ้งแต่ถ้าเราสัจธรรมมาประดับในจิตสัจธรรมนั้นก็จะ รักษาจิตรักษาจิตใจรักษาจิตใจให้เปจิตใจที่ดีทั้งที่ปาลีเคยย ก, กขึ้นมั้นต้นว่าจิตาาทั้งยันต์ตัสุขามาหัจิตที่ฝุกมาดีแล้วฟังให้เองนะจิตที่สุดมาดีแล้วจิตอู่ที่ไหนไปที่ไหน อ, า, อยายุเท่าไหร่ ช, ยชยายเปหิงชาติาขาไมงนักเลยแต่จิตที่ได้ชกนาทีแล้วนำานำความสุขให้ตลอดอเวลา น, นาทีนั้นั้เราสร้างบ้านหัดีๆสร้างเสร็จแล้วทุอย่างานีอะไที่จะสร้างลยแล้วเราเรไปในบ้านผู้ ร, ร้องไห้เราก็สบาย ไนนจะนั่งจะภายในบ้านของเราก็สบายจิบที่ฝึกอบรมจากําว่าดีแล้วมันเราจิดที่ดีแล้วเนี่ยมันมันจบเมื่อไรจิบที่ฝึกยังไม่ดีความร้อนเยอะฝึกจังไม่ดีเพราะต้อึกอยู่แต่ไม่แล้วอย่างนี้ดีทุกอย่างฝึกแล้วดีจะอปจบ อันนั้ น, ะจะจน ร, รางงานงงจะมีความสุดในเรี่อราวต่างๆทางารทำงานเป็นไรมาไหก็จะมีความสุขตอนสมายแต่ถ้าก็ประทั่งเรื่องอะไรอะไรแต่ใจมันดีอยู่แล้วามดีมันประอกอบด้วยวีสติเราจะรู้รรได้อะไนพถ้าสิ่งดีนั่จิตเขาคงมสติ เหัวหน้าคนจะไปรกน้องจะพูดอะไรกับรูกน้องพูดเป็นหัวหน้าก็้ะมีสติก็จมีปัญญาไขคําพูดออกไปนั่นเพื่อความด้วยความสุจริตต้องเพื่อความเมตตาเพื่อให้บอกแนะนำสุ่งีดีและสิ่งที่ไม่ให้ไมได้บอกในทางไม่ได้บอกในอาอยู่ที่แต่เชน ชอบหรือไม่ชอบตรงนี้ันแหละทีที่ฝึกดีแล้วเอาอะไรมาฝึกอีกมันจะดีเอาอะไรมาฝึกอีกมันจะดีฝึกยู่ข้อปฏิบัติใส่สีขานของขรรวาสสารชนจะมีอยู่สามทาน อยากจะพูดทำัล้ายให้นำของมากสวดจิตให้ท่าเพื่อสมบัติพัฒนเข้าวของเงินทองทเราหมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากที่จะได้เลยละเราใช้แล้วฟังใช้แล้วเหมือนเนี่ยต้องทำมันไมเหมือนขุดบ่อพานลานหรือขุดหน้าบ่อเจอเรืงคนไม่ใช่ตลอดไปแต่เราหาเหมือนหาทองเนี่จะต้องหา จงปล่ายให้กสิทำมือส๊อฟคือทางในเสี้สนั้นใทําบุญให้ทานมันก็จะเกิดความมัทริยะความสน่ออกหุ้มจิตเขาเรียกว่าเสนิหคตวามจาดออีออกหุ้หออกออกหุ้มจิตเดี่ยวได้ยินได้ฟังว่าคนมีเกิง น, นะปัญญาใาญ หมายถึว่ายู่ทสมบัมิแล้วไม่อยากเียแต่ลไม่อยากทาในสิ่งที่เป็นหาควาว่าคือไม่อยากแก้แค้นไม่อยากให้ทางเหการให้ทางเห็นเรื่ที่เห็นให้ทางเรียบร้อหมดหมดทั้งเงินแล้วแตเสียเวลาเพ่มขึ้นขาดรได้อีกจะคิไปรักษนามาจำนวนเรถ้าเราไปทำงานก็จะได้เท่นั้น ปรมานี้จเห็นว่นี่มีลักษณะของจิตที่หอมึ้นด้วยความม า, มาเฉยแย่ความเฉลี่ยอยู่นานไปนานไปก็อีกองถึงงงหั ว, วยึดเวลาเป็นเราเป็นเจริญว ล, ลาในกองของเราจริงๆขณะกันจริงงางใจสุท้ายกันชาทุกส่วนทั้งหลายมีการให้ทาน นประธานนาําเป็นบ้าประทานโดยกให้ความช่วผู้อื่นไดวมาทําสิ่งที่เป็นสาคาระประโยชนเราทาลงไปคนได้รับความสุขความสบายแก่ผลของเขาทานงที่เราได้ทรางเป็นที่ทราบกาลงทานบทที่หันชนคนทาหมอน้าเละพวกนี้ของงานของเสพอะไรวแก่ที่ทาให้ันทั่วทุกแกชชีวิตแต่ชีวิต แต่ก็ท่านก็อเช่นแต่งคนเนี่ยก็ป็นสที่เ o w e r ของบุญ p o ของกำลังใจกลังทัพ์พอให้ทางสวายจิตมันก็จะคลายความยือกคมึนในวัตถุวัตถุต้างกาถุวัตถุการมีโรคผเส้อมีกศนีรพนี้มีสัมผัสพวกนี้ความเป็วัตถุที่มองเห็นด้วยตา ถ้าเราสามารถที่ทำข้อรได้ได้อย่างนี้จิตมันกถอดถอนความยึดมันชึ้นมั่นสมบัติฐานข้าวหงมเงินทองได้แว้าพับเยสมโยโผล่ทุกเวลาเราประสบกับสิ่งที่ไมสมหวังเลยประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักการทำงานมมนเป็นทุกข์ แต่ถ้าเราได้สืบในการให้ตลอดฉะนั้อาจจะถูกโกงมากถูกเข้าหลอก้างอะไรพวกน้ิดไม่ไม่เกิเป็นทุกข์แล้วพอให้จนเคยชินให้สบายก็นึกว่าจะนนี้ให้น่ยอย่างี้ให้จนเคยชินแล้วนี่าวก็ไม่จะเกิดโมโหตัวพอจะมาลองให้แก่ก็ไม่เกิดป็นทุกข์พอรู้การวัดวัดถุนั่นก็คือวัตถุมันเป็นสมบัที่เราเอามาในโรกดบนี้ เพื er, ่อบรรเทาทุกข์ทางใจจับสมบัมีไว้เพ so ื so so ่อบรรเทาทุกข์กระจยสีทำดีให้ดีนะอย่างเราหิวอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราม่ําเก็จะไปเดินโนทานอาหารหิวเหนื่อยกระหายที่อยู่อาศัยพวกนี้เป็คื่องบรรเทาทุกแก้ปัญหาลุก็นรอะไรแล้วแ่ว่าไปมีสุราเราไปสนใจรถเรายิวข้าวเราจะเดินทานอาหารอย่นี่ ถ้าวันวามแม่ก็คือเออฟังาชีวิตงมสุดอยอดอืม า, าเราก็ูะเดินตังนี้กับฝึกทำให้แล้วกดสอนถอนปาทานเนี่ย น, กกนี่ยเุาจูดานได้เรียกว่าไม่ยึดิในัสปัตเนี่ยทานทำไมแต่บางท่านก็ทานเพื่อหลัง ก, บบนก็นี้ก็ได้ผลจากปีแต่หลางทำเพื่อหนังวัานหวังรงนี้นอ่ะจะหวัง อ, อ, อะไรก็ได้แจกเพียที่ทำไว้เปนแค่ น, นางพบนางร้อยเจ้าเลยเจ้าร่ำรวยเลยจ ะ, ะดีมาจ็ดีบ้างอทิศฐานอะไรเพื่อหวังอันนี้ก็ได้ผลจแต่กีคมหวังหังดีหวังดีมีคุณพิธาแต่ยังไปลองที่ว่า ทั้งคนก็ต้จามัยนานี้อันนี้อันีสมากกว่าาาไม่หวที่จะให้ิดเอให้ีให้ดีทีดเป็นตถุกรรวูีที่ราต้องเกใสมัตอะไรกแต่กถืก็ถชอบ อาเป็นวัตถูกเป็นวัตถุนะครับการกับลูกว่านี่คือวัตถุแต่ดีก็ดีถึงนั่นทีนี่เป็นสมสมว่าขึ้นมาเห็นที่เลื่นี่มี่เื่อเยอะสมว่ขึ้นมาแต่สิ่งที่ถูกเห็นนั่นเขาไม่รู้เรื่องเขาตกเป็นตุกชนีแต่เขาไปรเรื่องมาเขาดีเขาเสื่อมปัญญาประการัากาศอย่างนี้โนดีเสียงโนดั เนเดินกันาแล้วาแล้วก็หนกับตไปแล้วาแล้วเนกันต่อไปเขาก็ที่ทุกที่ก็คอยคยเรื่องเดิมๆแับนั้นเ้าพยายามจะทจบมันคือแค่ความจำเราไแกๆความจำแบบควไม่ได้พอเราูกพ่ายแล้เลยความจมันจะเป็นสิ่งที่ผ่านใจทั้งหมดอย่างนี้ให้สังเกตอนี้เราจึงอยาสอสอน ดีแค่ราฐธรรมนาแล้วบบสอดว์ยเญญามง่ายี่เรียกทให้ให้เข้าอจคนที่เคยมีแล้วเห็นอะไรมีมากเท่าไหร่เมื่อไิเฉยๆวัดเข้มเคยมีแล้วเคยด้แน้เคยมีแล้วแลพอไปต้นจนชาติสุดท้ายก็เคย ทานุสิตยามาแล้วก็ไปทานแล้ว ข, ขอพรอะไรไไ ก, ก, ไใก็ให้ถูกไหมไม่ได้ยึดถือทานผู้อย่างก็ไ่ยึดถือแต่เพื่อฝากความลึกแค่วัตถุนั่นแหละทอดทอดวัตถานในการยึดถือแ่วัตถุความหมายของที่เราเอ่ อ, อ, อเกิดอนท่านเชื้อสารทานขอทานขอไให้ขอะไรก็ให้เยะ ให้ไ้ทุกอย่าคนคือิันไม่คิดจะเอาอะไรแต่เราให้ได้ทุกอย่างเอาอะไรมสูสมอหนึ่งเราเอาการให้มาพัฒนาจิตให้ิทัยึดีมันมีวัตด้ก็้องสิ่งใเจที่ คนมีสติทังรมรวมความดีที่มีให้ได้เนลายูคนเดียว <Lucky> uh ันอาจจะรวมได้แต่เาทั้งขอกธรรมคมถ้าเรมไม่มีสติไม่มีปัญญาก็ก็ไม่สามารถที่จะรวมความดีที่เคยมีาจจะทำความดีมาหารั้งหลายนลายวัเดือนหลยปายปีลัมง พอนีเหตุประสบประชันก็ส่งเขาฝ่าย้าชบ้างถูกเขาฝ่ายีบ้างูเขาผู้สเหตบ้างถูกเขาพาัเรื่องที่จะเป็นความจใส่บ้างถ้าขาดสติเมื่อไรขาดสัญญาเม่อไรก็รักษาใจที่ดีๆไปไม่ได้แล้เสิจารักษาอถือระวังระวคนาี้ที่มีอยู่นะ ระลังไม่ได้ เ, เกิดความขัดเืตัวเกิดความโมโหเกิดเคล่นเงเกิดความอาค่าเกิดความพยาบามเกิความิงช่างขึ้นมาข้อาะไข้อขาดสติขาดปัญญาในการที่จะรักษาความดีที่มีอยู่ไว้สึงที่ปกตินปกติของกายมาจะถึงจะได้ยินเรื่องไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ที่มีสิ่งอปกติอยู่ไม่ลองมรู้บอกว่าไม แสดง ก, การออกมาทางกาทางพมูกอะไรทำ น, น, ทนองนคือวิจิตรทางรู้เท่ารู้เท่าเรื่องราว ท, ท, ท, ท, ที่มันสถคัญรู้ทางก็คือมือวิสติรับทราบรู้การมีสัญญาจับกระแสที่มันไม่ดีไอด้ฟังแม้จับตอยง น, น้ถ้าเขาคนดีมาต่อแทนไว้เอาคนดีที่เราเคยมีอยู่นะไปทาดีคิดดีพูดดี ี่ใส่จีนความเรียบร้อยนี่ใส่ยี่เงียตา ม, มาแล้วเอามาแทนไปนึกถึงความให้ากานึกถึงความกระดกาเข้ามาแทนไว้นึกถึงมุติตามาแทนไว้คนทุกคนเราทุกคนนี้ที่ศึกษากันเยอะเขาว่าอะไรก็ไม่ค่อยได้เจริญมุติตาจนเร่งเขา ทำงานด้วยกันจุดงานที่เดียวกันผังนต่างๆต่างนขึ้นเยอะมากกว่าอันนี้เกิดความไม่พอใจเกิดจฉาอันนี้แทนที่จะมุ่ดิกาโอ้เขาได้ดีกวเราเพราะทงานเดยนเพราะทำงานสารโดรักเรือเราก็ไดุ้ณมันก็ทาลายอิจฉาลงไปถ้าไปเลยมุดิกามันก็ไปทำลานจุดิจฉาที่สิยาได้ แต่ถ้าไม่เกริญมุจจะตานะั้นะมันก็มีโอกาสที่อิกาสิยานะั้นแสดงวงการนะไม่ว่าวงการไหนไม่ว่าประเทศไหนมุจจะตาจะไม่ค่อยจเจริญถ้าตัวใครที่จเจริญจะไม่มีจะไม่มีตั้งฉาห์นเขาจะได้เดียยอมือถึนะงเราจะทำก่อนเขาบาทงาทาก็ยังเดือนไม่เท่าเขาเขาเดือนมากกว่าตำแหน่งได้ผู้จัดการมากกว่าอะไรทนะั้งนั้น แต่เราทำสู้เยอะเขาให้ทำอย่างดีๆเกิดขึ้นไาอย่างน้อยใจเราก็เย็นใจลราทำงหนมีสายของเขาทำใช้ขอการสุดจิตให้ดีอะไรที่จะทำให้จิตดีนั้นเราต้องสุดเอาสุดเกินกระแสสุดกนกระแส เขาทำนั้นวนกระแสื่อของโลกโลกนั่นเรว่านกรแสไตมวาไปันทีไม่มงบอกครสอนเรื่องของเกล่งราคาพตามโทษาพระามมมรมไม่มีใครสอนหรอกต่ื่มาเนี่จะเยเออเกเันใครสอนมันก็โลกควาปวดความรู้มันจะไป็ขึ้นมา ตัวที่มาวนี่ยเราต่อยอดงไม่เข้าใจช่วงพีเกาๆให้ดูเป็นจดให้ดูว่าอะไรถึงแล้ว่ตัวมันกลงมาเรื่อ้งแต่ผมงานเล็กานปังงานหนั่งานอะไรพวกก่อนสองว่างงานก็เลยขุ้นขึ้นควเห็นนั่นไปไปเจ็บเราที่เราเปิดมาเยอะทุกวันนี เรื่องใก็บางว่าเราดูกระจกกข้างดีกว่าเพราใจเราสวยเรานเราอเราอะไรกนงไปกี่รอบมหาไดูว่าอะไรกันเห็นก็เห็นนะความ่ะีน่กดแต่วเว่าสนขนีอยู่นีอนี้นี้การที่เลาพนี้ ให้人อ่าคสุาเนี่ยคสุธังเนี่ยมันควรจะย่ายากมากควาสถ้า่คนเรามันชิลล์ลยถ้าหลในกรรมฐานหลผมลงลงหลงชเท่าไรก็้พอให้ได้จที่สวยให้หนาให้อนนไม่ได้แคนี้ พอเวลาธนาข้างข้าลงไปพอมีบาดมีแผลพอมีอะไรขึ้นมาแดี๋ยวาก็ทั้งพอมีโรคมีภัยอะไรที่จะทําอะไรผมก็เรียกปั่นหนังแล้วมันชุกเป็ไม่อยากให้มันเป็นความไม่อยากให้เป็นนั่นแหลมันชุกเพระอยากให้เป็นแต่อย่างนี้ไม่อยากเป็นอย่างนี้่ความไม่อยากมันจะมีอยู่ใจิตมันติดเอจริงแ่หนพอมลาอยากความชอบความอยากที่เคยทำมาบ่อย จะแต่งตัวแต่เนื so so ้อแต่งต่วชุดก็ต้องราคาแพงเนื้อผ้าก็ต้องดีดีอาหารก็ต้องดีอะไรพวกนี้แต่เก้าไมู้้หรือว่ามันสัมสมความรู้ธกิจเพื่อให้เยอะจิตในสิ่ที่ไม่มีสาระนี่ถ้าเรามาตรวตการฐานมาทำกรรมฐานให้ขั้นใหญ่สอน อย่างเราหัวฟ ja ันเราสอนเรื่องกรรมานก่อนมากสอนออกมันเป็นยังไงสีของผมเป็นยังไงตองยังไงเออท่าไหลางเปยังไงไปสอนทานนี่นเหมนกันเล็บเหมืันไมตัดไงก่อนได้ต้องเจ็ดเลยนะทไมตัดไนี่ไงฟันนี่ไม่ไปแม่่างเป็นยังไง ให้เราพิจารณาเอาถ้าเราพิจารณาเห็นว่ฟันถ้าเราไม่ล้างเราไม่แต่งฟันช้าเย็นพูดออกมาเข้าใกล้เข้าใกล้ใครเราแล้ ว, ลวจะไม่ินที่ไม่สาถหรที่ไม่สะาดนี่จะว่าพังงานทั้งต่อขัดกับความจริงกอถ้าหีกพิาจารณาบ่อยนี้ มป่ขจาดมันกรรมฐานแต่ไม่ที่จะมารวยมัก็เสียสลาก็สร้างจำไปดากไปแปลงฟันหมอฟันก็มีเงินเยอะหมอใจหน้าก็มีงไก้เนเยอะโรคอโฉมไในเรื่องความสวยงามที่ไปแงหน้าหมดาคาเยอะเวลาทำเไม่ถไม่ไม่ให้ถงตัวเองนะจากเวลากลตหน้าติตเสกไม่รา ความเห็นแต่ว่าทิฏฐิแต่ว่าความเหงนเห็นว่ามันสวยตงการความสวยเราปรมสบอยู่ที่ความสวยนั่นแหล พ, พูดคุยสะอมจริงท <c oughs> ีงในที่จะทำให้จิตหลงน่ะคงเลิกละาัเพื่อจะได้อยู่ในตาจารรัข้าวอย่างดีหันเร็เวลาจะ สวเยก็ต้องตรวจอยาแพทย์อยากหมอชุดก็จ้องยังดีทุกอย่างเดียกตามาสุตในในโลกก็้อยู่ันโลคที่สวยๆันมได้กินก็ต้องกินที่ร้านห้องตามไรต้องให้กินที่สะอาดกิงที่หอ้รดอาหารก็จะต้องรดที่ถูกทำนังไมทั้งส่ายกัจะต้องนิ่งเพราะอ่นอ่าอารมณ์ก็จะตเรง ก็เคยอยู่ในกรรมนั้นละกรรมมันตในมมันตเสียองลบกสัตวงขา้นการะรางวีมาหลายลเดนหลายปีหลายนทีหลายัวมงหั่มงหลายชาตวาลีที่เคยทาสมไปม่มาสูญหาไหนก็ไปรหลสุีมันจะทำายุสิทสานามาข้างไหลขอดัชนมาหลข้างหลของบุญเก่ก็ถึงจะตินจิตบุญใหม่ก็ไหลก็เพิ่มเก แล้วจารอจะสรางบุนประเทศไหนให้ทานก็ทำหลายขั้นเลยผลก็ทำเท่าไรก็ไม่ไม่ใช่ได้อะไรทั Choice ้งท้องไปทานทอดหนึ่งต่อไปนั hmm. ่งใช้็ไปทาน้ารถก็ทานทารถต่อไปนั่งไป้็สาารทานจนทานจนถึงหนึ่งทางในแสนทานเนล้านอะไรันจาอยู่ที่าวะของการให้ให้ไปแล้วว่าได้ประโยชนเพาะไปทาสาธานประโยบน์ไปดูไปเห็นแล้วอ่ีความสุ้เขาจะให้ เจ็บปุ๊บในคนงานกาสบายใจให้เหมืนเห็นลูกเจเล่เตุ้งได้ข่าว่าลูกไปทุาไปต่อยกันขับรถร้อนใจไปชนกันบางเล้่ยงเวลาบ้างจบวนกำลังจะป่วยรู้ไปเห็นคนนั่งกับมันจะสนใจมันหนักมักจะบมาจากไหนจะทุบมาจากฟองตัวเพื่อมาจากจุดที่ให้เราล้มมจะกูกเป็นทางที่ดี เราจป็นทรัพยระโยชสิ่งแวดล้อมเป็นทุมนะไม่ดีคนเราจะเชื่อจะดีมุ่งมั่นกับสิ่งแวดล้อมทำประโยชน์สัมพันธ์เดียวกัน ทาวามสะอาดทำไมถึงต้องทางกงส์อาะเพราะมันสุดโต๊ะตามําสุขจิตท่าเข้าใจตื่นขึ้นมาจากที่นอนผมยาวๆเลยต้องไปแต่งแล้วทำไมจะต้องแจเพราะมันนิสสาเพราะมันสุดโต๊ะตามรู้ใจตามรูแต่เราตื่นขึ้นมาจากที่นอนเราข้อหัวน้แต่งฟันไปร็จล้วข้อห คำถามทุร่างเปที่สนับสนุนพวกนี้อันนี้ปนเป็นกิตที่ัยอมรับสิ่งทนรถ้าเราไม่เคร่งครวรพนี้แล้วมันก็จะลงรู้ว่ากิจกรรมกิจกรรมลงเป็นสิที่ไม่มีสาระมันอยู ส, ะนะสังอะไรก็วางใจคนแต่กับเท้าร่งการนนมันถือบังคับจิตใจตลาดได้นะตัแต่เราเกิดมา มีนพันะเรือดรางกายทั้งหมดมันจะเกิดมาอยู่ในครรภ์ต่อจากนพันละของพ่อของแม่พอแม่เนี้ยบ่มีสตัมเราดีชอบโทรมาตัเป็นเราดีชอบโดยดีจางข้ามต้องนอนต้องพักต้าดาต้งรักสสารสารองมีที่อยู่มีที่อาศัยจะต้องมีอาหารการเจนอะไรต้องมียาพิเศษต้องการดีเป็นสิ่งที่ยาก ในทางที่จะดูลรักษาแล้วยังยากเพราะมันยังมีกิเเปิงกิด้วยอี่างเดียวเราเข้าพราให้ทำผิดู้ถึงจดด้วยเข้าพัญชาให้ทำาาน้อยแต่ต้องการ ม, มา ก, ก, ากมทาน้อยแต่ต้องการมากเพราะโรกเวลาทำมากล้วจ็บต้องการให้มากที่สุดแล้วไม่ได้จะโก้ทำมากดูแต่ก็ยังอย่าได้มากก่นะั้น พอไม่ได้กระปุกมีความมีความตรวจเท่าไรฉช่งตู้ต่ยพันขีไวมันจะันได้จีีนนาแต่พอพวกนี้นมาแกตายด้วยยีนเนี่ยมันจะไม่ได้ถูดกะแสเข้าไปในเรื่องฐานเรงสิงเามาฝึกเข้าใจเรื่องีความใปกติของกายกระใจ ใครที่ผิดปกติคนนั่งอถูกจเจตนทับมันใ่้ให้ทำ ไ, ล, ทไทล่พูดละกุศลางพงกุศลแบบไม่น่าฟังอย่างกันคนนั่นส็ถูกจีเรมันันทบันซาให้ทไม่พูดถ้าอ่านี้คนจะรอดหรือไม่อดหน้าที่หน้านไม่นาดูคนมีความกคนมีควาโสังเกตง่า หนึ่งไม่อยากทาแต่อยากได้ตรองทำ้อยแต่อยาไ้ากทำากก็โกนเรื่อยๆเล่นงมาจากความรความจิตบ่นจิตบเมื่อแฉนาหน้าจะใหญ่ยิ่งขกเพราะรูระจันทำหน้างหญ่โเราข้ามทางไม่ ารเชี้อแต่ละใความตประจาข้อหนทุกจุดทุกหน้าที่นั่นแหละนี้แค่น้อยก็คิดจะให้คิดจะให้แันดีดีที่สุดนกว่าในการคีจะเล่คิดจะกอดคิดจะกอดไว้คิจะเย็ดที่จะชือน่ะมันหนักไม่ว่าย็ดอะไรเพื่ออะไรล่ะหนักถ้ากกดฮักล้างว่ามันกัเรา เราเคยเมวัถุที่ม so mm. like no ันลอยขึ้นไปที่สูงพรัเบาวถุที่มันจกลมก้อนแล้มันหนอะไรเองมันใจมือกันจิใจคนที่มีจิตเหยหามพยายามมันจะไหที่ต่ำเราจะตั้งใจไงว่าไหลไปทไหนที่ต่ำก็คือทำแล้วจะเหตุสินสิ้นก็มีห้าจุดที่เรากำหนดได้ที่เรารับไปเราตั้งใจทุกข้อนก็สามร้อยสามร้อยสิบห้า ถ้าผิดเราองไช้ตังเป็นกุศลกุศลชนก่จการะไรก็ที่ตังค่าไม่ผิดถ้าเราสารินไม่ไม่คิดจะฆ่ากับจยมันจะมีเหตการแล้วถึงไม่ตาก็จิตะเป็นเงอนละไม่คิดะฆ่ามคิดจะรักไม่คิดจะประพึตชา้ไญญาไยาผู้อื่นบางทีมีมเยเยอะก็ออกไป ทำติดสินตัวนี้พอเงินียอะๆก็ทำให้สุขสินตัวนี้ได้สุขทานสุขสินปัจจัยไม่มีสาระแกสรในใจเราเอาไปทำให้มันมีสาระในใจเขาบ้างอันนี้มันจะดีกว่าเท้าเจ้าทำไม่มีสาระเอาไปเที่ยวไปกิงไปในคานในบ้าไปอะไรอะไรพวแต่จะทำให้ใจลุหลงขึ้นขึ้นคณะสราบั ถ้าเราใช้ด้วยสติด้วยปัญญาทมัยที้วมันจะิกรุณแล่ใจมันใหญ่ใหแต่ใชยด้วยวิชาที่สู่มันจะให้ชดชดแจ่ใจใจให้เราสมควรให้เป็น้วท่านั้นทัาบเป็นของการการจะทราเป็นของการไม่ดีสราบเป็นของกลางตายเป็นของกางเนี่แต่จิตที่สุดมาแบบไหนก็คือปฏิบาติใช้กายทำดีดูสิไม่ใจที่ไหน นั่งกรูตัวว่ามทำอะไรเดินไปรูตัวอะไเดิไปทำอะไรผู้ค น, นที่ทำหนาที่ป จ, จะบัตรูปตัวสองกับพูปเส้นอะไรที่ทุกดดีย่าชวยพูดไปก็รู้ก็อ่านั้นม่จรตามสุ่อจะแค่ดี อย่างที่จะทำให้ฟังนมีการให้การเคียรหลักบริจาคการฆาท่านนเป็นอกภายในีลท่านนไปซภายในในใจีความละอายกับความเชั่อเรเป็นก๊าภายในาจะปของตัวเรทุกโทเร็ไปที่เกิดขึ้นในตามมาไมมาทาไม่ดีลื่อจะเป็น ชาภัยในสุตัะการได้ยิในความเหตุผลก็เป็นชาทัยในปัญญาความรอบรู้ในสัจธรรมทั้งหลายก็เป็นชาทัยทนชาภัยในที่เก่ไม่ไม่มีใครมาทำลายโชคกั่อไทยก็ไม่มีทำลายกันได้ไรกะภัยก็ทำลายเปนได้อะคีภัยก็ทำลายเปน เรไปก็ทำแล้วนะปี1989แค่แค่ก็ค่นงอแล้วอย่าที่ทราบกันดีอยู่ถ้าทษก็ภัยก็เยอะอย่างที่คนละครู้ประเทศก็ได้กำลังนะม่ตกรถกทภัยก็เสียหายย่เรามีทรัพย์สมบัติเยไรเงินงานมรูสอะไรก็แล้วแต่พอนำท่วมเสียหายไปแมีทรัพย์สมบัติจบก็ถู้ไป โจละไปไไม่ตองมีน้ำส้มเลยลพัดท่าก็ยังมีเนี่ยสายนอกมไม่สาไม่ไม่ไม่ไม่ไม่สาระแต่ถ้าเราเบียมาให้ทานบ้าทำบุญชุนทาว่าออเอาเอาอาสัตที่มันไม่มี่รู้ว่าเียงช่วยอะไรจไปทำให้มดีสร้างอะไรก็จะได้ให้ไห้ให้ใจได้พึ่งพาให้ใจได้รับความสุข มันจะเป็นสาระเกิดใจเราเป็นผู้ผู้รับรู้นึกถึงมาไปเห็นเราไปทำตรงนั้นดีอายุมากอายุมากทำทำแล้วมันมันก็ไปถึงสติอยู่ดิๆทุกข์เยอะเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็เหมือนกันถ้าเราไปทำ้ะเราลบไม่ได้นึกถึงมาไปเห็นแต่ต้องทำความดีมันมากกว่า เมื่อมีความดีมากกว่าไปใช้ชื่อตคืถ่ายก่อนพอเช็คต่วกับเริมดีพูดตัวกับึงเต็่ตที่ดีทำต่อไปติดการทำที่ดีพ่อมันความนสัยแค่ปัจจัคือควานสัยและปัจจัยในทางที่ดีนั้นมากกว่าอะไรในเร็วสร้างเบอร์มันจะไปําความดีให้ทานและการิตนอกจากนี้ก็เปสั่งหรือไปภาวนาภาวนาใหม่ ภาวะยกจากคำว่าภาวะภาวะพวกพวกมันจะมีพวกของใจในขณะนี้พวกของใจจะถึงการคิดก็ภาวะอยางพกภาวะน่ามานแยกออกมาจากมันเป็นพวกพวกน่าพกใหญ่ใจหรอมันื่อถึงเรื่องนั่นจะได้คืดถึงเรื่องนี้อยู่อย่างนั้นแต่ถาวนนั้นยูี่หับตาตรงไปหูฟังกันนะต่ใจถึงแยกกัน โดยเฉพอคนที alive, ่มีเรื่องอะไรจริงมันไม่ปอีกมาแล้วที่วันนีเดือนมาแล้วทีนก็ออกมาเห็นมันครทำจิตถิ่จิตทำมามานั่งความธรรมนี้พอทันเท็เป็นข้อนมาก็ไปเห็นแหละมันก็ป็นรรมที่จะทำนีมันกไปได้ถ้าคิดถึงแต่ถ้าเราทำวามดี้มันมากว่ามากโอกาสที่จะได้ไเร่ดีก็ได้รวนี่มอนแบบนั่ง คน่าใจขนาดไหนก็สัตวีขุอยู่น ค, มมคนที่อารให้นำในภาชนะน้ามนาันใสถกามีทางเดียวคือเรานำใสใส่ให้เยอะใ้น้ำอ่อ น, น้ที่ที่กรองจะนะ้ำใส่้งไป น, นิ่เดียวนใส่ลงไปกันไปมั น, น้ำใส่มนมากตอ น, นมดหมอไปน้ายไปแล้วนะุ นี่วาแต่างคนเรามันยังมีอสวาหราจะผิดพาในการทำผิดพูดผิดคิดผิมาแล้วผิดลาดนเราไม่รู้แล้วแต้ามีบ้างการไปทำผิดแคสสิบอร์เ็นะ์แาทำทำถูกเ็นวันแต่ยังมีเอร์เซ็นการทำผิดพาดิดทำถูคพลาดิดก็มีแน่แน่เลยว่าเราจะทเรื่งกับเรื่องไหนถ้าไปทางโฆษณของคนประเภทไหนก็ไปรับอย่างนั้น ทั้งนสรคนก็ให้สูงอยู่ใจก็ให้สูทั้งคนสมครก็ให้สงทั้งมัทาก็จะเป็นสายมัทธาทั้งคนก็ป้ายายพัฒนาไปไปทำอะไรก็หาสมาสิมาจนถ้าเล่นทางทางดีทางดุสากนั้นความบุญุสมากเมากติถ้าได้ทงุสรมนก็โดนมนกเลยว่าฟัง่ายง่กรีกว่ามีบุญมากบุญก็เย แร่องเมื่มีความสุขภากถ้าตอบขัทุกคนหมดพวามมันกระจายเดรยความรู้สึกจะข้หน้าหนึ่งจะมีความรู้สึกเกิดเพีเดียวถ้าเรามีความรู้สึกว่าสบายง่ายก็คือจะมีสี่ข้างสี่หัวสี่จักรสี่แยงี่เทียนนะถ้าเราคำาจไว้ว่ายอย่างนีเราพูดว่าเรามีความสุขความสบายทุกน่วยมันี้ถ้าเราทำเป็นระยการเด่นเท่านั้นเาว่า ดูดูแต่แิที่มันรัไับมารัปรมาเรื่องอะไรต่อพบนั่งนันต่อไปแล้วก็เฉยอก็เฉยั่อไปก็เฉยกหดจิตดนักไปเรื่องหมายถูกใตรงนี้อยู่ทาอะไรเ่นี้มีอะไรคมจะรับอภิญญานี้อพานี้แล้วเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับครอบค่วบ้างเกี่ยวกับางานบ้างงานเรื่อบ้างอี่าวิเครแะห์รอไปมันจะเกาอยู่เส ก็ง่ายลเพาะว่าคุกนี่แต่ก็อาเกิดมาพอเห็นมาแล้วไก้ยินมาแล้วได้ฟังมาแลนะครับทแกๆมันก็ไปอยู่ในจิตเขาจะบอกเราหลับตาคุกนะคัออกาโชว์เลยเป็นอาการของจิตจิตทีเป็นรู้อยู่ในขั้วกลาอธิบายในทางโลกนี่ ได้จากตายกุ่จากจมูกจากท้งจากตายแล้วก็ไปไหลก็ไปสุขโช่ให้จิรราบเรื่องดีิตารู้เนอตมาอย่างรูรู้ดีก็เสนอเข้ามาถ้าจิตเขารรูปัอันนี้จังจับไปเสียงดีดีก็เสียงบรเข้ามาเสนอให้จิติตจะไปเปนอนเสียงก็เป็นอันนี้จังไอที่อ่าเยก็ได้ต่อไปอที่เห็นเข้าใจรักมาเป็นพยานัฐานยืนยัน ไม่กิเจสันเขียงไม่ได้ถ้าเป็นใจรั้เป็นสัจจคันหนึ่งที่มีอยู่แล้วใครจะสอนม่สอนก็ก็ไม่แน่นอนก็เปลี่ยนใจก็อารมณ์ทั้งหลายมันมีอยู่โดยธรรมชาติทีนี้มันมีอยู่ยนั้นแต่ถ้าเราไม่ลาหมดมันก็จะไม่รู้ไมเห็นเพราะมันเป็นของที่เล็วมากให้จุปจิญวญอารมณ์นับปัจจุบันเกทั้งหมดที่จะ ทำให้จิตใจดีที่ต จ, จไม่ดีมาจากลม โ, โลภอารมณ์เปิดจัตตาร์นจะจนะสั ท, งงส ท, งงทธารลมพันธารลมโพธารมณทธรรมารมพวกเปจัตตา่มดเลือดขากระชกบารนังมายเวลาเราเริ่มภาวนาการรวมเข้ก็จะเห็นเรานั่งภาวนาเราอยากให้อยากไปตัง้งานทั้งหม ต้องการความรู้เท่ากับสิ่งที่มันมีอยู่ในในกายในใจเท่านั้นไหละกายมันนั่งแน่งไปกลอกจะเบาจะนั่งแน่นนานไปนอะไปคนก็เบาไปเลยคน ก, ก็หนักคนก็เจ็ยบยั้งนันทั้งนี้เป็นอะไรก็ได้ แ, บบแต่จิตมัสําหรับทัาบเท่านะสิ่งที่แสดงออมาให้ให้ให้หจททิตรู้นก็คือสัจธรรมมันไม่เนจริงสิ่งที่ม่เป็ น, น จ, จริงที่อยู่ในโลป ก, าทาก็ทำเพื่ออะไจัง ควาเปลี่ยนแปลงตงให้แน่นอนให้กระทากรธาตนี่รู้ประทาหน้าไปหน้าไปมันะต้องเปลี่ยนทกเรื่องท่าเปลี่ยนขวาหรือโน้นนั่นนแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงให้รูเห็นเท่านั้นเนี่ยผูร้รูร้จราบทาบรับทราบไปเร้่อยุดสไปรื่อก็อะเกิดความเข้าใจจแจ้งไม่จะถอนประทานว่ารู้เป็นเรารู้เป็นของเราร ถ้าเป็นของเรามับอกได้แต่ท right. like, uh, ี่มันบอกนั่ะมันไม่เป็นองเราชบ่อยๆ้าบอบ่อยๆทุกวันเลยเป็นหลายขั้นเลันจแสงเป็น้านั้นนั้นก็จะโยกล่างคามเข้าใจผิหลายพวกหลายขัหสเกตว่าสู้เป็นเราสู้เป็นของเราของพวเราขับจูห อันนี้ถ้าเรากําโดดกันได้เราเราปฏิเสธว่ามันไม่ใช่เราความกระสอยเองนะถ้ารู้ว่าเป็นความกระสแล้วมันก็จิตอะไรมาก็รู้เท่าอยากจะใกล้ได้ปวดหรือรู้เท่าจบท้องปวดท้วงเราคุ้นเท่าเพราร่างกายเป็นเป็นเรื่องของโรคโรคทั้งหลายอยู่ที่ร่ากานี่องทนี้ถ้าเราสนใจว่าคอาเท่าจ แข็งแตอนนี้อยุมนยเพอยืนิงก็บาดเนะก้าแล้วเป็นรอลก็ระาเลยนะไม่ใช่เรื่องสานะเพราะมันเป็นสัานึงคืออธิจรย์นดูที่ไหนทุกครั้งอยทนทุกครั้งอยู่ที่ไหนหน้าตายอยู่นั่งรอไม่นูเข้ามาใสร่างกายบ สวดใหามันรู้เท่าในในสิที่มีอยู่ในตัวของเราเนี่ยเี่ยเป็นเป็นสิทธาของท่านสามุทนผู้เดียจงะทำลมเป็นให้ได้ให้ดีให้มีให้เป็นในใีกิจกรรเชื้อตลาดบราค่าคาทนังำทรักนน้สุจตนน้ำที่ทุนโอตบาทนน้ปหัทุนน้ำควาวาสุขควสุขอภัยโสุกิให้ดี แต่ถ้าเราศึกษาสุดพอสมัยมาสดพั้งใมาสุดพวิจาราสุดก็ไปไปกับเรื่อวิชาเรื่องนู้นวิสุขเข้าวันนี้ผ่านสุดท้ายมันดีทุกเรื่องไหดีไม่ใช่ว่าเรื่องไม่เกอไม่ดีเ็สมวัตแต่ว่าสิ่ท่้ายเปชาตแต่ผู้รูจะเข้าใจว่าโี่คือดีเขา้าเราโอ้ดีเราจะใช้กรรมเาถ้าเราโอดีเราจะใช้กรรเราเป เรามีกรรมมีบาปอ่ชานะครับผู้เรียนทุกท่าอยสามกรรมธจชาที่จะทำการทำกรรทการใจมีปาระจัตตาร์ที่จะผลองการที่จะให้ผลในปัจจุบันและจะส่งไปจกตตาร์โพธิสัตที่จะในการจัดสุขของผู้เช่า เสมอย่างในาเชื four, ่อทมั拜拜่นคงในข้อปฏิบัติในทางพุทธศาสนาเชื่อนั่นไะตดยยทางโคทางโจ้คือเชื่อสามอย่างนัแหละแค่เชื่อไว้บาจมเราเกิดมาเราเนเกิดมารับตังสองเกิดมาครั้งเดสามสิทธาภิบาลศึกษาเรื่องต่างให้เข้าใจมันจะได้เบืให้หนักในการที่จะเรียนรู้จนเกิด อาวัตาที on, à, ่จิุผข้าบัวองค์ชมจันทร์ไปเลาการเกิดมาเป็นทุกข์ชาติเราผู้ผู้พาเวลาเกิดมานานๆเท่าค่าโ้กยเดียเดียวมานทุกข์ยจก็พยายามมุจลาใจกระจกเราลองได้กันทุกข์ลองตั้งลมให้ใจมันดทิ่ย์ปวดใจแต่ขาดทุกข์ไมทุกข์พาะเราเทุกข์อยนี้เรไม่อยาจะไม่ ไม่มีรายสอนใหญ่มันก็เป็นนะอนิจจังเมีอยู่ช่วงตลอดเวลชั่วครังเรามีตลอดเวลางั้จาเรามีตลอดเวลามใจลักษณะญาณต้องญาณเรามอย่างรูอย่างดูสามอย่างเพื่อไปฝจกจตหลวงพอพระศศิมาเราก็เข้าใจว่าเราขอเราของเราควางสำคัมากนันทีนี่เราอยากได้มากมากไได้ใจไมากมากอยากหลายหายเยอะสายของของหล ถ้ามันไม่ได้ทันใจเรเคยได้ยอมไม่ได้จะปวดเจ็บถ้าค่าพบ่าวเจงฆ่าอาหารจนเย็นนะภาษาทศศากานของโมงคก็เขาชวนทำอะไรก็ไม่ได้พิจารณาจะทไปเมื่กี้ห้างมันทำแล้วไม่ว่าจะไม่แต่ก็ทุกข์ทรมาร์ดถ้าพิบ่าวทำผลทางนะครับเราตาให้ผลให้อาดเทปเดียร์กันอย่างดียวเนจำไได้ ัังท่านที่มีแจกงท่าที่มีนายกรบงทัางที่มีก็คุมอย่างนี้ไปดังกันไปอยู่เลในโซนนั้นแตเพราะอะไรเพราะโลกนี้อยากหลายขนาดเยอะแยะอย่างมันให้โทษเจือโลภะการมีปากเรื่อยตามเสียสลาดลอยจากท่าให้การโกรธการเกลียดท่านกันแบบจมปากด้วยศีระลัาาง ทำโซ่ดวงใจจะใจทำใจแต่โดใจเราใจต่นื่องทำภาวนาทกวันทุกวนใหกลุ่มเยอะให้กลฟังให้ทุ่มอนก่อนให้ขัก่อนขั้งขั้งขั้งเข้เข้า้าสมาธิขั้งหนึ่งขึ้นมาจะมาจัมแม่แม่อาจจะมีทุมสอนนั่งสมาธิ่ราขั้งก่อน ก็เ้าเราั่งจิตใจสงปล่อยวางนขั <vision> yeah, ้นหจ็บปล่อยวางไปนิ time, ่นอยู time, yeah, ่รู้ชรู้อะไรก็โทแบบทั้งทัสียงพสียงก็โทมาแล้วปุบคิดพลาเสียระดับาอะไรก็โทครดับทันทีกอย่างดับกอย่าง้ก็อะไรก็ก็เป็นจอาจร์ก็คือเเราน้าเมนี่ เคยมีคนมีเคยก็ปั้งใช่ทำไมเควก็มันจะต้องดับเสียงหนึเอเียยินดีเมื่อวันนี้เสียงอะไรผ่านมาเกระดาดกอเลยมันจะหนอำนาจจังสัญญาลูกเท่าจะใช้ได้ถ้านั่งอยูป่านี้เพนนั่งทำให้เหวมีกท้งว่าอย่างก็เสร็จก็เลยเก็รู้ว่าสิ่งเท่าไหจะวันกเป็นอนาจจังมันไม่เค่แค่ไหมักเกียนแปงไปาเรื่อง อันนั้น เ, เรา <c oughs> พาัฒนาสุขให้จิตปนาณชรยยะเอาเส้นน่าเฟื่ออยป่าโทษความัดเครื่องเอาไมา่กามาป่าต้นชาไทยผู้ชา้นีู้ใหย่เอาไม่ตาทำเอาเล้นทำ เอาทางเอาศีลเอาเมตต า, าแล้วเอาสติสติก็คือรู้รู้อยู่ก็รูก้ก็เยืนนั่งอยู่รู้ก็เรานั่งนั่งทาอะไรก็รู้คือใจทำอะไรจะรู้รู้อยู่ในชีวิตอย่งนะางกัต่างเรื่สติทำให้ใจรู้้องรู้ต้องรกายให้แจ้งทำัห้ญจท้สุดญาติมันทานั่นนี่นะคาว่ามีสติเรอาจจะรู้เฉพาะกายนั่งนี่แต่ถ้าพขาอต่อไป ังทนนี่จะต้องรู้ถึงการเคลื่อนไหวของใจด้วยรู้ตารูใจแต่คิดนั่นคิดนี่นรูกหมดเฉยคิดไตอนนี้ร่างายไม่ไปิดถึงเงนันคิดถึงเรงนี้คิดแล้วมัรู้รู้ระดับคิดแล้วมันรู้รู้ระดับมันเกิดจับเกิดจับกิดับกิดับในสังขารลมทุบทุบกันจิดไปก่อนไล เกิดไม่หลังไรก็เป็นมนคนอาสวะต่างเรื่องขึ้นมภูทัศรัทธาท่านได้จิตตั้มแย้งสารธรัมปฏิอักษ์สร่างไม่ยังเพิ่มเพย์ตั้งมันเราตั้งมันจิตของท่านผู้ใดแต่โชคโลกธรรมแตกแล้วไม่หลังไหนโลกธรรมแตกมีลาบเพื่อขึ้นลาบเพื่อเสีไปยึดเพื่อขึ้นชกเพื่อเสียไป มีสรรเสริญเชกระทุกปีธาไม่สูงกระทุดคือทั้งนี้ทั้งทั้งแตงเนี่ยไมมีใครอย่างเดียวถ้าหาว่าใครสูงระทบในืึอนทั้งแตงนี้ไม่ไหวนั้นแะจุดของคนันเป็นคนชัสุงแล้วช่ว่าจิุแค่ฝึกพอดีแล้วก็นำขอสูงให้ช่วนชุ่เวลาชุ่วนาทีแะนั่งอยู่ข้างไหนก็ได้นั่งหลับตาได้หลับ าอะไรมปนธรรมก็เป็นต่การที่ทำแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีใช้กรรมที่ประกอบด้วยความสุจริตเมื่อกี้กรรมที่สุจริตเมื่ากรทสุจริตใช้ทํรสุจริตเป็นสายของกุศลสายของคนฉลาดที่ทํามามเก่มากเนี่ยถ้าคนฉลาดแล้วมันมีความสุขจะเกิดในชาติงนมันก็แตกยิ่งจะทำดีขึ้นอ่ะทำดีจริงแท้จริฉลาดแล้ว แล้วผู้สจิู้สดงจตากััณณ์ข้อบวาไปที่ไนกจิตที่สถนี้นะโซวันสาคโซนะเป็นความตัวปีใจโทนะสารคาัาคือฆ่าของใจแต่ไปพ้อสันะสารคาถโซนาคถยาไปสัมพยุกต์ยางในความหยังรู้เรื่องนั้นั่องนี้ยางโซวันังรบาลานจะรู้เรื่องรู้ ไปทรมาช้ารู้เรื่องเรื่องนี้มันต้องผัดเป็นธรรมาช้าก็จิตจะปลอดจากปุศน์นะนะเป็นคนเราถึงนี้ก็ปุศนมันะริงจรีงน like ิจีติมุะจช้จังใจทำงานใจใจกลับไปจิตที่ประกอบประเทศปุศลมีที่หอนี้จิตจะไปเกิดที่ไหน้วเกิดก็ไปถ้าเกิดออกุศนมีบา้ท่าให้กันก็ไม่เป็นเครื่อง สิง เ, เลือกได้แต่ว่าเลือกเกิดก็ไม่ได้เพราะวิบากพาให้มาวิบากกรรมไน่พาพาให้มาเกิด แ, แ, แ, แ, แล้ท่านคนน้องเพแตกต่างกันในระดับชาติหนั่งนะคือฐานะทำไม่อเพราะวิบากแตกต่างไปท่านวันนี้ก็อธิบายใีเรื่องเก่ฑ สังคมที่ทำให้จิตมีความสุหรืกทางอะกาศจิตมีสภาพนะแล้วก็มีสติถ้าการเัญญาถ้ามีสติมีเัญตาอย่างนี้แล้ญญวก็ไม่นจะว่าจิตก็ไม่สองแต่จิตใจท่านใมเชืิเที่ไหมจิตก็ไม่สมอง ในกับฟยู n ในกับปีมาลนี่แหละขนาดเพิ่มเติมสุขสิทธิทัศน์จิตเพื่อจะไปสุ่แต่ความสบายมันก็จะออกสังกัดได้นะถ้าจิตเตยสังเดชเตยไปจิตเท่าจะมีราคาทุตสาหะของห้องหนึ่งทุตสิทธิสเปนหลังได้ถ้าจิตต่อไปเจอราคาทุตสาหาของห้องานึ่แน่นเขาไป้านมีแต่สมองหรือการถานที่ได้กับสมอง เครองของพวกอะองมเมมนแสแสปัญญาระแสสุขปัญญามันไม่เห็นธรรมาคิดไปคิดไเพื่อ <sk> ค kind of ิดไปเพื่อ้หน้าองนี้เมันะไปเห็นคืองขทุกทุกเวลาทุกนาทีไม่ต้องกกับตัวไม่ใจรอยูนันไมานี้เรวะทของ ทามิสันสรพยาบาทีน้คม่ได้คูไปจีสาห้องไม่ถูกใจคนร้อมห้อามสันสถ้าไม่ถ้ามีทัพย์สมบัติิ่งกู้สิซอสสิ่งไม่ซอสถ้าไม่ได้ไปไม่ได้เห็นไนเก็เกิดความกังวลขึ้นมาเกิดยิบัตขึ้นมาใครกังวลของเราเกิดภัยพบัตขึ้นมาถ้าไม่มีไม่ไม่ถึงภยาบาตคนนั้นคนนี้ว่าไม่ ดีๆในกนี้เสียงน่าจะเติบโตน้องเราเข้ามาซื้อแล้วที่าำเยอชข้น้องเราซื้อในเทศกาลที่เราไม่คิจะงานนี่เปนวาราธรรมทำเงินสะสนใจ้เงินลย้สุดท้ายก็ได้จากไไหนเราปฏิบัติงานสุที่เปาใะ้รพวกนี้นะที่วาระธรรมข้ามสมาี่ให้จังหวัในในสัจธรรมนะครับเราถึงจะทุกข์กระทั่งนะ วันนี้ก็เห็ว่าสนับสนุนการดำเนินชวันท้อให้ท่เจวเป็นผู้ให้ทางนักษาสน์พาานระตือรอ้นกระตือรืังยาได้ให้มีเงินเงลสับวมามีศึกษาให้ได้ทํางาผู้นี้จะนำเอาเอพวกาเอาเอาไปใช้ทำธเรยนมื่สุดสิงมันสุดสายช่วันทุกเวลาทุกนาทีทุกเดือุกปีไปแล้วชีวิตสุดท้ายันก็จะมีแต่ความ ความดีเจะเห็นคนความสุขความสบายว่าเรามีความสุขสบายแล้วเจะปะสบโชคดีผลงานการปฏิบัติจำลองจำเราจะจจเราจะรู้รู้จดจำเราไม่จำรูรู้จเจำแล้วพราไม่ต้องอาใครถึงจะอาศัยก็จาไม่อายก็ได้งานที่เกดขึ้นแล้ว พยายามทำให้ดีที่สุด